نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن ح د ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما ي د ر ل ه فلا ه ا ر ي له. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بد الرضى واشهد ا ن لا إله إلا الله وحله لا شليك له إله الأولين والآخرين واشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين أمابا ل ق د ال قال الله تعالى في كتاب الكريم بعرضه ب ا ل م ش ي ط ا ن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ف ل ق, ل ق د تحمل عقبة وما أدرا كم العقبة ا ف ق رقبة أو إتعام في يوم ذي مسقبة ي ت ي م ا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب ا ل م ش أ م عليهم نار مؤسدة خب ن ع ت ي الرقي خبر و เราก ب ما حوت ق و ي جن تا في شون الاتي ب القرآن หรือที่เรียกว่าตัฟเซียตในสุรัตุลบาลัดซึ่งอินชาลอครับตอนนี้ก็จะเป็นอตอนสุดท้ายสําหรับส ah ุรอัลบาลัดนะครับผมซึ่งในครั้งต่อไปก็อินชาลออย่างที่เราพูดคุยกันก็น่าจะมาต่อในส่วนของอายตุนกุรสีอินชาลอครับผมพี่น้องขี้รักยิ่งครับภายหลังจากที่พระองค์ลอสุปหานหัวจะอาลาได้บอกไว้แล้วถึงคุณภาพาถึงคุณลักษณะมนุษย์ทั้งมนุษย์ที่เป็นคนที่โดยพื้นฐานแล้วถูกสร้างมา แต่มีลักษณะที่ว่าเป็นคนที่มีความเนรคุณจะมีลักษณะทว่าชอบโอ้อวดจะมีความรู้สึกที่ว่าเวลาเขาได้สิ่งที่มีความสุขเขาก็จะรู้สึกหลงและเลงไปกับมันหลังจากนั้นพ่อร้อยได้บอกให้รู้ว่าจุดยืนของมนุษย์นั้นคือการที่เขาต้องมีชีวิตอยู่ที่ยากลําบากแล้วทําไมเราจะไม่เลือกหนทางที่ยากลําบากหนทางยากลําบากคือหนทางที่พ่อร้อยนั้นจะตอบแทนซึ่งก็คือด้วยกับการที่ว่าให้เขานั้นมีความเผื่อแผ่กับผู้อื่นหรือว่ามีการความรัก แล้วก็ความปาถนาดีแล้วก็มอบสิ่งที่ดีให้กับคนใกล้ตัวเพราะอย่างที่สังเกตดูครับผลทางที่ยากลําบากที่พวกลอสอุบาห์นูหัวตาได้พูดไว้ทั้งหมดคือการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งสิ้นเลยไ ม, ม่เป็นเรื่องของการที่ว่าการปล่อยท่าไ ม, ม่เป็นการให้อาหารของอในช่วงวันที่แรงแคนไ ม, ม่เป็นช่วงที่ว่าการให้การช่วยเหลือคนเด็กยากไร้เด็กกำพร้าหรือว่าการให้ความช่วยเหลือกับคนที่ขัดสน ทั้งหมดคือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าหากอยากจะพัฒนาตนเองหากอยากจะช่วยเหลือตัวของเราเองเราก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนั่นถือเป็นการพัฒนาตนเองด้วยเช่นเดียวกันครับผมในขณะเดียวกันครับผู้ล็อตส์มานอวัตลาก็ได้บอกว่าไงครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการที่เราทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือคนอื่น จะถูกตอบรับสําหรับผู้รอสุภาหนุวาราลานั้นก็มีเงื่อนไขอยู่ก็คือเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์แล้วเขาก็ต้องมีการสั่งเสียกันและกันให้มีความอดทนแล้วก็สั่งเสียกันและกันให้มีความเมตตาเพราะความเมตตาคือหนึ่งในแรงผลักดันที่ทําให้เราแค่ผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นถูกไหมครับนี่คือที่เราพูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้วันนี้ครับเราก็จะมาต่อในส่วนส่วนที่ว่าอูเลอิกะ อสหบุญไม่มาผู้รอสุภาณุอัตราได้กล่าวไว้ครับในอายะที่18นะครับพี่น้องครับหลังจากที่พระองบอกถึงคุณลักษณะของทางเดินที่ยากลำบากกลุ่มคนที่เลือกทางเดินที่ยากลำบากพู้รอดบอกว่าใครก็ตามทาได้อย่างนี้คือเป็นผู้ที่ศรัทธานะ ปฏิบัติกิจาการงานที่ดีนะคอยเป็นห่วเป็นใยคอยเตือนกันและการให้มีความอดทนนะคอยเตือนกันและการให้มีความเมตตานะแล้วเขาก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พวกเราบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้อยู่ในอสัสแทบพวกเขาเลยจะเป็นกลุ่มชนอัลไมมันนะเป็นกลุ่มชนที่ว่าได้รับผลตอบแทนที่ดีเ ป, เป็นกลุ่มชนที่ดีนั่นแะครับประเด็นนี้เราคงต้องคุยกันเยอนิดหนึ่ง ต้องคุยกันเยอะนิดนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเอออาจารย์อุไรกสซาบุลไมมานาไมามานามันไม่ได้แปลว่ากลุ่มชนขวาเหรอฝ่ายขวาเหรอเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในผู้อ่านฉบับแปลนะครับจะแปลว่าพวกเขาเหนั้นอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มชนฝ่ายขวาในที่นี้ครับวอลลอว่าไอ้ลำครับผมเอส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ค้นขว้ามาผมเข้าใจว่าไมมานาในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากลุ่มชนฝ่ายขวา สาเหตุเพราะอะไรครับพรายักุ์กานตรงนี้พวกราช้คำว่าอุลไยกัสาบุลไมมันนะพวกเขาเหล่านี้คือกลุ่มชนไมมันนะวลดีนะกัฟรูบิอาญาตินาฮุมอัสฮาบุลมัชอมาในขณะที่ผู้ไปเสสัท่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นกลุ่มมัชอมาซึ่งมัชอมาไม่ได้แปลว่าสายถ้าไมมไันะเราแปลว่าขวามัชอมาบางท่านบอกว่าเนี่ยก็ต้องแปลว่าสายแต่จริงจริงมัชอมาครับมาจากคําว่าชุมมุน ชูมุลก็คือเลวหลายแปลว่าไม่ดีงามไม่ได้แปลว่าสายเพราะฉะนั้นเมื่อมัชอะมะถูกใช้ตรงข้ามกับไมมานะคําว่าไมมานะจึงไม่ได้มาจากยเมนที่แปลว่าขวาแต่น่าจะมาจากคําว่ายุมนูยเมนเมืองเยเมนทำไมถึงเป็นเมืองเยเมนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ประเด็นทางนี้และทางนั้นครับสำหรับบางท่านที่อันนชนคุยลึกนิดนึงนะครับผมบางท่านบอกฟังวันนี้ทําไมมือมือจังก็ขอคุยแบบ ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราคุยกันแบบทั่วไปแล้วก็ที่มันไม่ยากเกินไปที่หลังอินชาลาครับผมอยากจะมาขยายความตรงที่ว่ากลุ่มชนฝ่ายขวากลุ่มชนฝ่ายซ้ายบางคนถามว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายนะี่มันจะผิดไหมอย่างที่ผมบอกก็คือส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ตรงเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเราไปดูในสุลตูร์วากิยาถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดสะดวกนะครับหรือว่าพี่น้องเท่าในใดที่ว่าจำสุลตูร์วากิยาได้ ลองดูตรงตั้งแต่อายะที่เจดครับหลังจากที่พระรัชบอกว่าพวกนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3ามกลุ่มอัวจวะจนวกุลตุมอัจวะจนซาลัศฮาบุลไมเมนะมาอัศฮาบุลไมมนะวาอัศฮาบุลมัชอมะมาอัศฮาบุลมัชอมะข่าวอัฮาบุลไมมน ะ, ะกับอัสฮาบุลมัชในกุรานถูกกล่าวทั้งหมด2ที่ด้วยกันที่แรกก็คือสรอะลุอากยาอีกที่หนึ่งก็คือสุรตุลบาลัดที่เรากำลังพูดคุยกันถ้าสังเกตดูครับในสุรตุลวากยากเนี่ยพระรัชใช้คาว่ากลุ่ ไม่มานะกลุ่มชนที่ดีงามอันมัชอมะกลุ่มชนที่เลวร้ายแล้วก็อัซาบิกูนซาบิกูนกลุ่มชนที่ว่าเป็นกลุ่มชนที่เร่งรีบในการทําความดีถ้าหากแปลว่าฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายความหมายจะไม่ค่อยสมมุติเท่าไหร่เพราะว่าในโซลบาแกสเช่นเดียวกันครับผมพี่น้องโซลบาแกสเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเรามาดูครับพระวรรดได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่38มพระวรากล่าวว่าอยงครับอูลบันอัชรอบะลีอัสฮะบิลยามีน ว่าอาซาบุชิมะในยัตที่ส1คือในซูร์ล็อดเดียวกันนะพี่น้องมีการใช้ว่าแบ่งเป็นสามกลุ่มนะพวกคุณมีสามกลุ่มพวกคุณมีกลุ่มชั่วไม่มานะกับมัชอะมะแล้วก็อาซาบิกูนอันนี้คือเทีมล็อตกล่าไว้หลังจากนั้นพวกเราจะพูดว่าพวกล็อเตียมอะไรให้คนที่ดีบ้างแล้วพวกล็อตก็ได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการตอบแทนให้กับกลุ่มฝ่ายขวาหรือซาบิลยาเมีนินในขณะที่ผู้ประเสริฐซาจะเป็นกลุ่มฝ่ายซ้าย ตรงนี้พวกเราพูดถึงแค่สองกลุ่มพวเราพูดถึงแค่สองกลุ่มกลุ่มฝ่ายขวากลุ่มฝ่ายซ้ายแปลว่าถ้าเกิดอซาบูยลมินอซาบุลไมมานะกับอซาบุลมัชมาถ้าเราแปลว่ากลุ่มขวากับกลุ่มซ้ายแล้วอซาบิกูอะไรอยู่ในกลุ่มไหนเพราะในยัลกุรอานวักต่อมาพูดถึงแค่ขวากับซ้ายอย่างเดียวซึ่งถ้าเราไปดูในทับซิทธอธิบายลกุรอานครับจะเป็น อาซาบิกูนหรือจะเป็นไมมานะทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มที่ได้รับบันทึกด้วยกับมือขวาทั้งสิน้นเป็นอาซาบุเลียมินทั้งสิน้นเพราะนั้นก็อันนี้ผมชวนคุยแต่เก็ตเล็กเกน้อยนิดหนึ่งถ้าเกิดพี่น้องบางท่านบอกมึนหรือว่างงนะครับก็โอเคผมผมไม่ชวนคุยเลยมากกว่านี้ละที่มันลงลึกนะครับผมเอาแค่นี้แต่สรุปก็คือว่าส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมว่าลราว่าเราเมอ์ลัตเซนที่รู้ก็คือ คำว่าอาซาบุลไมมานะกับอาซาบุลมัชะมะในสุลตูลบาัดเนี่ยไม่ได้แปลว่ากลุ่มชนฝ่ายขวากับกลุ่มชนฝ่ายซ้ายเพราะว่าประการแรกคําไม่ตรงแล้ไมมานะอาจจะแปลว่าฝ่ายขวาได้แต่มัชอะมะไม่ได้แปลว่าฝ่ายสายแต่ถ้าเรามาดูพื้นฐานคําถ้าเกิดเราบอกว่าไมมานะมาจากคําว่าอายุมนูมัชอะมะมาจากคําว่าอาชูมู่ความหมายตรงเลย อายุมนูนหมายถึงเยเมนอาชูมูหมายถึงซามบางคนจะบอกไอ้กลุ่มชนเยเมนยามันกลุ่มชนชามเอะมันเกี่ยวอะไรกันเหรออย่างนี้ครับพี่น้องชาวอาหรับเนี่ยชาวอาหรับในอดีตเนี่ยครับผมยุคก่อนท่านนบี ม, มูฮัมมัดสละวางฮะดิสลามเวลาเขาจะเดินทางนะพี่น้องเวลาเขาจะเดินทางแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นนกบนท้องฟ้าเนี่ยบินไปในทิศเยเมนเยเมนก็คืออยู่ทางตอนใต้ตของซาอุดีนะพี่น้อง ถ้าเห็นนกบินไปทางทิศยามันหรือว่าเ ย, ยเมนเนี่ยเขาจะบอกว่าเออการเดินทางนี่ดีแน่นอนเลยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่านกเนี่ยมันกาลังบินไปในทิศทางของพวกเราเพราะที่เ ย, ยเมนครับมีแต่ชาวอาหรับอยู่ก็คือเป็นเพื่อนกันรักกันอันนี้คือความเชื่อของคนยุคก่อนไม่ใช่ความเชื่ออิสลามนะพี่น้องย้ำนะแต่ผมกำลังบอกที่ที่มาที่ไปของคําว่าเออไมมานะกับมัชอะมะเฉยๆทางด้านภาษาก็คือคนอาหรับ ในอดีตเวลาเขาจะเดินทางถ้าเกิดเห็นฝูงนกบินลงไปทางใต้คือบินลงไปที่เมืองเยมเมนเนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางนี้โชคดีแน่ๆจะได้กําไรจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเขาเห็นฝูงนกบินไปทางเมืองชามซึ่งก็คืออาณาจักรโรมันเอ่ยพวกยูเออยซึ่งทั้งหมดเป็นศัตรูของชาวอาหรับหรือว่าดูถูกอาหรับคือหาผลประโยชน์กับชาวอาหรับถ้าเดินทางแล้วเห็นนกบินไปทาง ฌาบเนี่ยครับคอยบอกว่าการเดินทางเนี่ยสวยแล้วค้าขายก็ไม่ลุง่งอะไรก็ไม่ลุง่งอันนี้เป็นการเชื่อถือโชคลางที่ฮารอมนะพี่น้องถือว่าเป็นชิริคนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงชาวอาหรับก่อนอิสลามก่อนที่ท่านบีมสุสลมิมจะได้รับการแต่งตั้งเขามีความเชื่ออย่างนั้นนี่คือที่มาของคําว่าอิยุมนูกับอชูมก็คือลางดีกับลางร้ายกลุ่มที่ดีหรือกลุ่มที่ร้ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ ความเชื่อนี้คํานี้ก็ถูกเอามาใช้เป็นภาษาหลับก็คืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆเขาเรียกว่าอายุมนูอะไรที่ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นสิ่งที่ช่วยอะไรเขาเรียกว่าอชุมูพื้นฐานมาจากความเชื่อแต่มันก็ได้กลายมาเป็นการใช้คําซึ่งก็เป็นที่รู้กันในภาษาหลับว่าใช้กันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นครับผมเคยบอกที่มาที่ไปว่าทําไมอซาบุลเมย์มันจึงไปว่า พวกเขาเหลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ดีงามแล้วก็อาซาบุลมะชะมาแปลว่ากลุ่มชนที่เลวร้วายหรือว่ากลุ่มชนที่โชคร้ายอันนี้ก็ว่าลออาลลำนะครับสำหรับท่านใดที่บอกว่าผมจะแปลว่าขวาผมจะแปลว่าซ้ายก็ก็แล้วแต่ครับเพราะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมความคิดของผมจําเป็นจะต้องถูกต้องในเรื่องนี้นะครับก็เอาล่ะท่าที่ดูดีที่สุดครับผมถ้าใายพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับผมคุณอัสมาครับก็โซ่ ส, สลามมาครับก็อัลลอฮฺมุสซาลามาุลลัตตุอฮฺว่าบารากาตูครับผมแล้วก็คุณมูล สลามมานะครับจากบาเรียนตีหนึ่งครึ่งุบานัลลอฮ์ครับวาริกุลสลามอัลลอฮ์วะบารอกาตูครับผมก็ขอเร้องไม่ตาแล้วกันนะครับหลับเด็กดีอาหมัดอบูคาลิดนะครับให้กําลังใจมาจาซาคุมลอฮคไคยรันนะครับผมสําหรับกำลังใจแล้วก็คุณสวยนะครับสลัดกุ้งค่ะรับชมจากทางทุ่งครูก็จาซากุมลอฮ์คารขอบคุณทุกท่านครับผมข้อความไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับผมเอ่อ ทักทายเฉพาะพี่น้องที่ข้อความขึ้นแล้วกันนี่วันนี้สละมาก็วารีคุสลมาปุลอบารกาตุลแล้วกคุนี่ไงยีลาะนะครับก็สลมวาคุณสลมาปุลอัลลบารกาตุพร้อมกับนักเรียนหน้าห้องนะครับผมพี่สมานะครับสลมวารคุสลมุลอัลลอบารกาตุ้คุณสาบอกว่าดีใจที่มาเรียนสละมาด้วยก็วคุสลมาปุลกอับารกาตุวะเจซักุมุลลอฮยรันครับผมเอาละครับพี่น้องในส่วนของเนื้อหาทาง ผ่านไปแล้วนะครับผมผ่านไปแล้วก็หวังว่าท่านใดที่ว่าได้ภาษาหลักก็อาจจะได้เป็นข้อมูลเอาไปตกผลื่อีกทีนึงส่วนท่าใดที่บอกว่าอยากฟังเรื่อยๆก็ตอนนี้เราจะเริ่มกันแล้วให้ชาวล้อครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับในสุรตุลบะหลักเนี่ยพวกล้อได้แบ่งเอามนุษย์ทุกคนที่ถูกสร้างมาเพื่อพบ ก, กับความยากลาบากพวกล้อแบ่งไว้สองกลุ่มย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้นะครับผม หลือแต่ต้องพบกับความยากลำบากซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วไม่ว่าจะคาบช้อนเงินช้อนทองมาจากไหนชีวิตก็ต้องมีความยากลำบากและวเมื่อเป็นคนที่ว่าทำดีกับเพื่อนมนุษย์แค่ไหนชีวิตเขาก็มีความยากลำบากในที่พวกเราบอกว่าในบรรดาคนที่ชีวิตเขามีความยากลำบากเนี่ยพวกเราแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนที่ว่าได้รับภาคผลตอบแทนที่ดีงามในโลกอาเคโรในโลกอาเคโร ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเขาเป็นคนดีในโลกนี้เขาก็จะรับการตอบแทนในโลกนี้เท่านั้นแต่เมื่อไปโลกหน้าปุ๊บเขาจะไม่ได้รับอะไรเพราะเขาขาดเงื่อนไขของการเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อผู้ลอสุบฮานหูวัตตาแปลว่าเมื่อเขาเชื่อว่ามีแต่โลกนี้พระองค์ก็ตอบแทนให้เขาในโลกนี้นี่คือความยุติธรรมของผู้ลอสุบฮานหูอัตตาซึ่งพระองค์ไม่ได้มองข้ามใครก็ตามที่ทําสิ่งที่ดีพระองค์ก็ตอบแทนเขาเพียงแต่ว่าเขาจะได้ ทั้งโลกนี้แล้วโลกหน้าหรือจะได้แค่เพียงโลกนี้อยู่ที่ทางเลือกของพวกเราทุกคนครับผมอูลาอิกะอัศฮาบุลไม่ม่นออัศฮาบุลไม่าเนที่นครับพี่น้องเมื่อกี้ผมพูดถึงเยเมนกับเมืองชามผมไม่สบายใจถ้าเกิดไม่พูดต่อให้จบบางคนอาจบอกว่างั้นก็แปลวาเมืองเยเมนดีกว่าเมืองชามหรือเปล่าไม่นะพี่น้องไม่เนะยำ้ำคือ อ้วนล้อไม่ได้รังเกยียจประเทศหนึ่งประเทศใดเป็นการเฉพาะไม่มีนะครับผมเพราะท่านอาบีอัลสลัยซามก็ได้เคยขอดุอาบอกว่าอ้วนล้อโปรดให้ความเจริญให้แก่เมืองชามของเราแล้วก็เมืองเยเมนของเราก็เพราท่านอบีอัลสลัยซามก็ดูอาให้หมดไม่ได้บอกว่าเยเมนเป็นเมืองที่ดีชามเป็นเมืองที่ไม่ดีไม่ได้บอกอย่างนั้นเพียงแต่เป็นความเชื่อในอดีตซึ่งเป็นที่มาของคําว่าไมมานะครับมัสอามะเชยๆครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับ อายะที่สิบแปดพวกเราบอกไงครับอุไรกะซาบุลเหมินะพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่ดีงามวลเดียนะเกฟารูบิอายาตีนาฮุมอสฮาบุลมัชอามาในขณะที่ผู้ปฏิเสธศ <c oughs> รัทธาเกฟารูผู้ที่เขานั้นได้ปฏิเสธบิอายาตินาต่อองค์การของเราต่อคําสอนของเราต่อสิ่งต่างๆที่เราได้เขาเห็นมาฮุม อัสฮะบุลมัชอะมะพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่เลวร้ยวายถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องใช้คาว่าเป็นกลุ่มชนที่โชคร้ายทําไมถึงเป็นกลุ่มชนที่เลวร้ยวายครับพี่น้องคําว่ามัชอะมะในที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครไปคุกคี่ไปสูงสิงด้วยก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีตามมาด้วยคืออาจจะต้องตกกระไรพลอยโจรด้วยทําไมล่ะครับทําไมกลุ่มชนที่ไปเสียศรัทธาถึงเป็นกลุ่มชนที่มัชอะมะ เป็นขุมชนที่จะนําสิ่งที่เลวร้วายมาให้พี่น้องคิดอย่ง่ายๆถ้าเกิดว่าพี่น้องทําธุรกิจร่วมกับผู้ไปเศสศธาถ้าเราทําธุรกิจร่วมกับผู้ไปเศสศธาถามว่าเมื่อทําธุรกิจมาเมื่อได้รับผลกําไรเขาจ่ายสากัดไหมไม่ได้จ่ายสากาัดแต่ว่าทรัพย์สินที่ลงร่วมกันน่ยมีความเจริญไหมไม่มีความเจริญถูกไหมครับพอเราไปทําธุรกิจร่วมปุ๊บในการค้าขายก็ขาดความเจริญและขาดบรารกาแล้ว ถ้าพี่น้องจะไปคบค้าสมาคมกับเขาจะไปนั่งกินอะไรขเขาตามปกติเขาก็ต้องชวนไปสิ่งที่ไม่ดีดูอย่างวัยรุ่นเยาวาชนเราเวลารวมกลมุ่มรวมแก๊งปุ๊บไปกับผู้ไปเสดสัทธาปุ๊บก็ไปนั่งดื่มสุราถามว่าหามีบาราการ์ไหมไม่มีคุยเรื่องที่มีบาราการ์ไหมไม่มีเพราะนั้นเป็นกลุ่มชนมัชอะมะหรือเปล่าครับเป็นกลุ่มชนที่มัชอะมะครับผมเพราะนั้นก็แปลว่าเป็นกลุ่มชนที่เลวร้วายหรือว่านํามาซึ่งสิ่งที่เลวร้วาย แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมมันเป็นเช่นนั้นจริงๆในเรื่องของความเจริญในเรื่องของบรารักางงดงามสิ่งที่จะตามมาภายในแทลลีมัสโลฮอยสัลัมก็ได้บอกว่าจงเลือกคนที่เราจะคบค้าดีนุ่นมัริอัลมารอูอัลาดีนีาริลีฮีเฟลยันจุรอะฮัดาากุมอิลามาิยุขาริลล์ศาสนาของคนค น, คนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับคนที่เขาคบค้าสมาคมด้วย เวลาจะคบค้าสมาคมกับใครคุณก็ต้องดูให้ดีผมไม่ได้บอกว่าคบค้าสมาคมกับมุสลิมแล้วจะมีแต่บากล้ามีแต่ความจเจริญก็ไม่ใช่ถ้าเป็นมุสลิมที่ดีแต่แปากหรือเป็นแค่มุสลิมแต่ชื่อก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องยุ่งแต่ใบยมุขเขาต้องยุ่งแต่สิ่งที่ชั่วร้ายมีเยาวชนครับมีพี่น้องที่ามาปรึกษากับผมบอกว่าทําไงดีเนี่ยอาจารย์เขาไปอชอบพอกับผู้หญิงต่างศาสนาคนหนึ่ง โอเคฟังต่ อ, อยังไงเก็ดเกิดยังไงต่อเขาบอกว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าผู้หญิงคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมจะแต่งงานด้วยเขาพร้อมจะเป็นมุสลิมแต่ขออย่างเดียวว่าขออยากเขร่งมากได้ไหมขออยากเขร่งมากได้ไหมก็คืออยากชุกยชี้จุกจิกเรื่องกินเรื่อ ง, อ, งอะไรมากเกินพอได้ยินปุ๊บเอา้าแปลว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ศรัทธาแต่ประเด็นคืออยากแต่งงานเฉยเฉย แต่ประเด็นคือสิ่งที่ทําให้วิ่งคิดแบบนี้หรือกล้าพูดแบบนี้เพราะเธอมีพี่เขยพี่เขยก็แปลว่าพี่หญงก็เลยมีพี่สาวแฟนของพี่สาวเนี่ยเป็นมุสลิมที่กินหมูกินเหล้าทําการพ น, นันทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ฮารอมพอเธอเห็นเป็นแบบอย่างปุ๊บ อ, อ๋อพี่เขยฉันก็เป็นมุสลิมก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเครื่องแคตอะไรเงั้ยนตนเนี่ยพอฉันมาคบกับมุสลิมเงี้ยถ้าแต่งงานไปก็ไม่จําเป็นต้องเขรื่องแคตสิก็เลยมาขออย่างนี้ เพื่ะ น, นั้นเกิดถามว่าผิดที่ใครก็ผิดที่มุสลิมเราเองเนี่ยแหละครับที่ว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้เขาเกิดภาพมาตรฐานของอิสลามที่บิดเบี้ยวไปอันนี้ก็ฝากไปเรียนไว้นะครับไว้เผื่อที่ว่าถ้าใครมีความสามารถอะไรจะชี้แจงจะช่วยแสดงสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าทําสิ่งที่ดีได้หรือเผื่อมีใครที่โดนเคสอะไรประมาณเนี่ยจะได้ให้คําแนะนําดีๆให้กับเขาเหล่านั้นได้นะครับผม เพราะนันพี่นักที่รักยิงครับมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยไม่ไหมนะเป็นกลุ่มชนที่ว่ามีแต่ความเจริญแน่นอนเพราะอะไรครับถ้าเขาจะทําอะไรก็ตามเขาก็กล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์มีบาราก้าไหมบาราก้าเพราะเขาทําธุรกิจเขาได้ทรัพย์สินมาเขาใจสกาดเกิดสิ่งที่ดีงามไหมเกิดสิ่งที่ดีงามทั้งสังคมกับทั้งตัวเขาเองเวลาเขาจะรับประทานอาหารเขาก็กล่าวบิสมิลลาห์เขาก็กินแบบไม่ทิ้งเขาก็กินด้วยกับมารยาทงนนดงาม มีบรารักไหมมีบรารัก้าเราไปอยู่ด้วยเราก็ได้บารัก้ า, าที่ดีงามไปด้วยเวลาเขาจะทําอะไรก็ตามเขาอยู่กับผู้คนเขาก็มีความยุติธรรมอยู่กับผู้คนเขาก็มีความเมตตาอยู่กับผู้คนเขาก็มีการให้อภัยสังคมอยู่แล้วดีไหมดีแม้แต่้างสิงสาราสัตว์ถึงเวลาถ้าจําเป็นจะต้องเชื่อดก็เชื่อเท่าที่จําเป็นไม่ฆ่าเกินความจําเป็นไม่สร้างให้เกิดความทรมานอยู่แล้วดูมีความรู้สึกที่ดีไหมมีความรู้สึกที่ดี เพราะนั้นผู้ศรัทธาที่แท้จริงจึงเป็นอัสาบุลไหมมานะจึงเป็นกลุ่มชนที่ดีงามที่ใครก็ตามที่อยู่ด้วยก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามในขณะที่ใครก็ตามปฏิเสธศรัทธาต่อผู้ล์สุบฮานูวาตาลาเขาได้เลือกปฏิเสธความงดงามจำนวนมหาศาลออกไปแล้ว ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกก็คือในความดีงามที่เขาทำในดุญยาพลกเราอไม่ได้ปฏิเสธพวกเราก็ตอบแทนให้เขาแน่นอนในโลกดุญยาแต่มันก็จบแต่เพียงเท่านั้นแต่มันก็จบแต่เพียงเท่านั้นพี่น้องที่รักครับพวลล็อสวานหัวตราด้ก่าในสรรคหุจรอย น, นะครับว่าจะมุนนูน่อะกันอันอัลสลามุกุลลาตมุนนูอัลเยอิสลามุกุมบัลบัลลลาหยามุนูอัลเลกุมอันฮะดะกุมลิลอิมานอินกุนตุมซอดิกิน พี่นักธิรักเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นของคนที่วมาเข้ารับอิสลามแลืแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นมุสลิมด้วยบางคนเป็นมุสลิมโดยที่เขารู้สึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยติดหนี้เขาอยู่เขาอุตส่าห์มาเป็นมุสลิมอันนี้เป็นความเข้าใจหรือความรู้สึกที่ผิด ความรู้สึกนี้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่านของอาเลบุสัลลัมแล้วอย่างยุคปัจจุบันใช่ไหมอาจจะพูดกับผู้ครองว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ยอมเป็นมุสลิมแล้วเพื่อเธอยอมเป็นมุสลิมแล้วเพื่อแต่งงานกับเธอทําไมเธอเห็นแก่ตัวทออําไมเธอไม่ยอมอย่างนี้บ้างทําไมเธอไม่ยอมอย่างนี้บ้างเพราะว่ข่าวในกูราชัดเจนครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมาเอาบุญเอาคุณกับเธอจะมาทวงบุญคุณกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านของอาเลบุสัลลัมในการที่พวกเขาเข้ารับอิสลาม เขาบอกเนี่ยนะบีชันอุสาเป็นมุสลิมแล้วอุสาเป็นมุสลิมแล้วอย่ามุนูนะอะไรก็อันอัลลอฮ์มูกุลเลตมุนูอะไรอิสลามมะกุมผู้ลอสุบฮานะฮุวัตตาได้กล่าวไว้ครับว่าท่านจงอย่าได้มาเอาบุญเอาคุณจากฉันในการที่พวกท่านเป็นมุสลิมเลยมันผิดคิวมันผิดเรื่องบริลล์ลาฮูย่ามุนูอะเลกุมอันฮาดาคุมลิลอิมาน ถ้าจะมีคนอ้างบุญอ้างคุณได้นะ่ยมีเพียงผู้ละซุบฮานุวาตาลาเท่านั้นที่พวกองค์นั้นจะกล่าวเอาบุญเอาคุณกับพวกท่านได้เพราะพระองค์เป็นผู้ให้พวกท่านนั้นรู้จักอิสลามให้พวกท่านได้รับทางนำเพราะนั้นต้องมองให้ถูกนะการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ละซุบฮานุวาตาลาต้องมาขอบคุณเราแต่เราต้องมาขอบคุณผู้ละซุบฮานุวาตาลาให้มากเพราะฉะนั้นก็ข อ, อนซีฮะกับพี่น้องที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ท่านใดก็ตามที่ว่ากำลังตัดสินใจคบค้าสมาคมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยเลือกที่จะเข้ารับอิสลามอย่าไปบังคับใครให้เป็นมุสลิมถ้าใจเขายังไม่ยอมรับเอาล่ะอย่าไปแต่งงานกับใครที่เขาเข้ารับอิสลามเพียงเพราะว่าเขานั้นอยากจะแต่งงานชีวิตมันไม่มีความสุขทั้งคู่มันทรมานทั้งคู่ คนที่ฝืนใจตนต้องเป็นมุสลิมต้องทรมานตลอดชีวิตส่วนคนที่อยู่ด้วยก็ต้องทรมานด้วยเพราะว่าอยู่แบบฝืนๆกันนะครับดูในระยะยาวฝืนเพราะฉะนั้นให้อิมานเข้าไปในหัวใจของเขาจริงๆให้เขาศรัทธาในอัลลอฮ์จริงๆถ้าเลือกที่จะแต่งงานกันเพราะชีวิตคู่เป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่ว่าแต่งงานไปปุ๊บจะมาเปลี่ยนใจได้เหมือนคนที่ฝืนไม่ใช่ว่าเราฝืนแค่ อาทิตสองอาทิตย์บางทีมันต้องฝืนตลอดชีวิตแล้วมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นให้ใจยอมรับพ่อรัสสุบะฮานุวัตตาจริงๆให้กล่าวคติมาออกมาจากใจจริงๆให้เรารู้สึกขอบคุณพว่อรัสจริงๆที่ว่าพวกนั้นให้อีมานกับเราให้เรานั้นได้รู้จักอิสลามให้เรานั้นได้รู้จักคนดีๆที่ชักจูงเราให้ทําสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็อินชาอัลลอฮ์นะครับหวังว่าจะ จะเคลียนะแล้วก็ชัดเจนเพราะว่าต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเลยนะครับในการที่ว่าไปบังคับเขามาเป็นมุสลิมโดยที่ว่าใจเขายังไม่มาเพียงแต่ว่าเขาอยากจะแต่งงานเฉยๆถึงเวลาทรมานกันหมดยิ่งมีลูกลูกก็ทรมานพอเลิกไปไม่สวยสักคู่ครับผมไม่สวยสักคู่ครับคุณวิทย์ชีราวนะครับถ้าผมออกเสียงผิดขอมาสนะครับสลามมาแล้วก็ ฝาสลัมทุกท่านมาครับบอกจากคลองเตยชัดเจนดีก็วารีุสลมตุลลอห์วะบารอกาตุครับผมอ่าหแชร์บรอาตเข้ามาสลมนะครับก็วคุ JI, todos, 1991, สลมตุลลอห์วะบรอกาตุุเทพชัดเจนดีนะครับผมมาชาลอคุณหมออัสุดที่รักนะครับสลมมาก็วุสลมตุลลอห์วะบรอกาตุครับผมกับคุณไฟซอนนะครับสลมมาเช่นเดียวกันก็วคุสลมตุลลอห์วะบรกาตุครับผม นะเราคุยกันต่อครับพี่น้องงั้นในสุรทูลบาลัดนะครับอุไรกัสธาบุลไมมานาะพวกเราได้พูดไว้แล้วว่าบรรดากลุ่มชนที่ว่าเขาเลือกเส้นทางที่งดงามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่เขาจะทําได้เนะี่ยพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ดีงามจะมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเขาแล้วใครก็ตามที่คบค้าสมาคมกับเขาก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามนี่คืออัสธาบุลไมมานะในขณะที่ผู้ที่ไปเสียสัตย์พี่น้องสังเกตดูครับสุพานาลวะ กว่าจะมาเป็นกลุ่มชนที่เป็นไมมานะกลุ่มชนที่ว่ามีแต่ความงดงามได้เนี่ยเงื่อนไขเยอะแยะมากเลยถ้าเกิดเราดูนะครับฟักกูรักบะเอาตามุนฟิยาเมิเมสกบะยะตีมันซาเมกบะอุมิสกีนซาเมตลบะตุมมะแกนะเลลัดีนแอมนูวะตวะซาบิซาบริวะตวะซาบิมารฮามะอย่างน้อยเจ็คุณลักษณะที่พระเจาพูดคนที่จะเป็นกลุ่มคนที่ดีได้แต่เมื่อเป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีพระเจาบอกแค่คนในลักษณะเดียวเลย อันเดียวเลยแค่มีอันนี้อันเดียวจบเลยไม่ว่าที่เหลือจะดีงามแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคนทั้งโลกจะมองคนคนี้เป็นคนดีคนหลอ่อคนสวยคนเท่ hey, คนช่วยเหลือผู้อื่นคนอะไรแค่ไหนก็ตามแค่มีคนลักษณะเดียวจบเกมเลยสำหรับผู้รับลอสุบะฮันัวแต่เราผูเราบอกงี้ครับวัลลีนักัฟฟรูบีอาญาตินาใครก็ตามที่ปฏิเสธในสัญญาณของเราปฏิเสธอัลลอฮ์ Allah? ไม่เชื่ออัลลอฮ์กลุ่มโชลอนั้นเน่ะโชคร้ายแล้วเลว้ๆแล้ว ชั่วลายแล้วเลวร้ยายแล้วแค่เงี้ยไข่ข้อเดียวคือปฏิเสธพระลอสซูบานอัลตราเพราะอะไรครับเพราะการยอมรับพระเจ้ายอมรับพระลอสซูบานอวลตระนั้นเป็นพื้นฐานของมนุษยชาติอยู่แล้วในการที่เราต้องยอมรับผู้สร้างพี่น้องบอกว่าพี่น้องเราดูตอนเนี้ยบางค่ั้งอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่มืดอยู่บางท่านงอะอยู่เริ่มสว่างแล้วถ้าพี่น้องมองดูท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แล้วเราลองพยายามทําความเข้าใจท้องฟ้าที่เราเห็น เราเป็นเพียงแค่ก้อนกลวดเผือกโลกทั้งใบเนี่ยนะพี่น้องเป็นเพียงแค่ก้อนกรวดเมื่อเปรียบเทียบกับจักรวาลทั้งหมดจักรวาลที่เราอยู่จักรวาลทางแสงเผือกจักรวาลอินโดเมดาแล้วก็ตามที่เขาตั้งชื่อแต่และจักรวาลมีดาวอยู่เป็นแสนล้านดวงหรือมากกว่านั้นเป็นแสนล้านดวงแล้วจักรวาลเนี่ยมีนักดาราศาสตร์บางกลุ่มบอกว่าในเอก ภ, ภพเนี่ยมี จักรวาลไม่ต่ำกว่าแสนล้านจักรวาลพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ของเราพวกเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วดาวจํานวนมหาศาลในนั้นมีดาวโลกในนั้นก็มีเราอยู่ในดาวโลกอยู่ในประเทศไทยบางท่านก็อยู่ต่างประเทศบางท่านก็อยู่ในพื้นที่ต่างๆของโลกพวกว่าเป็นผู้เฮลิสกีหมดพวกเราให้ร่างกายที่มันมีระบบที่มันเกินจินตนาการมนุษย์เรายังไม่สามารถเข้าใจ รูปแบบการทำงานทั้งหมดของร่างกายเราได้เราพยายามศึกษาเราพยายามเข้าใจระบบที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งขนาดนี้มันจะไม่มีผู้สร้างเป็นไปไม่ได้พี่น้องมันจะฟุบบังเอิญมันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้ครับคนที่มีความคิดแบบเป็นธรรมนิดนึงเขายอมรับไม่ได้หรอกว่าร่างกายเนี่ยมันจะบังเอิญฟุบเกิดมาได้สมบูรณ์ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้และระบบทุกอย่างทั้งท้องฟ้าทั้งดวงดาวต่าง ทั้งระบบทั้งน้ำทั้งเมฆฝนทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันมันสมูทเกินกว่าที่มันจะบังเอิญได้ขนาดนี้เพราะฉะนนั้การยอมรับพระเจ้าจึงเป็นการเปิดความเข้าใจที่ทําให้เรามองทุกสรรพสิ่งอย่างชัดเจนบางคนบอกคนที่เชื่อในพระเจ้าเขาไม่มีความไม่มีทางปเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะเชื่อในพระเจ้าแล้วก็จบบอกทุกอย่างพระเจ้าสร้างแล้วก็ไม่คิดอะไรต่อเป็นความเข้าใจผิด มุสลิมเริ่มจากการที่เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าแล้วเราก็ทุ่มศึกษาว่าพระเจ้าให้มันเป็นไปได้อย่างไงเ พ, พระเาะพอลอสไม่ทําอะไรไหลาสาระทุกอย่างมันมีเหตุแล้วมันก็มีผลกฎของเหตุของผลเป็นหนึ่งในกฎที่พอลอสมานั้นได้สร้างเอาไว้เมื่อไม่ได้กินข้าวก็หิวเมื่อกินข้าวก็อิ่มทุกอย่างมันมีเหตุแล้วมันก็มีผลร้อนพอมีแดดพอความกดและกาศกฎ ตามลงอากาศก็เริ่มหนาวมันมีเหตุมันมีผลพกเราเราไม่ได้ทำอะไรในศาสนาพวกราก็บอกว่าศึกษาให้เยอะๆซสลามไม่ได้สอนให้คนงมงายอิสลามไม่ได้สอนว่าให้บอกว่าทุกสิ่งเนี่ยพระเจ้าสร้างแล้วก็จบไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปเรียนรู้อยู่แต่ในมัสยิดไม่ใช่คําสอนของอิสลามดูในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรอิสลามก็คือยุคช่วงแรกที่สันนบมีมัสลูอมทำการเผยแผ่บรรดาซาร์ราาบัฟเป็นนักประสาบรรดาซาร์บัฟเป็นนักณิส า, า, าบรรดาซาร์บัฟเป็นนักดาราสตษ แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้มากมายที่ปัจจุบันก็ยังใช้ประโยชน์อยู่เพราะการเป็นมุสลิมไม่ใช่หมายความว่าต้องงมงายอาจารย์พูดอะไรเชื่อหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องส น, สนใจไม่ต้องไปศึกษาอะไรคือไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นโรคระบาดก็เอามาจากกลาซจบไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปอะไรไม่ใช่พี่น้องนั่นไม่ใช่คาสอนอิสลามอย่างโรคภัยท่านอับดุลโมสลิสแลมก็บอกไว้ชัดเจนว่า ไม่มีโรคภัยใดที่อลอสจะให้เกิดขึ้นนอกจากมันต้องมียารักษาก็แปลว่าหน้าที่ของเราก็ต้องศึกษาวัดทำยังไงที่จะรักษาแต่ละโรคภัยได้บางโรคอัลฮัมดีแล้วพบวิธีรักษาบางโรคพบวิธีมากกว่าหนึ่งใช้วิธีแพทยแผนไทยก็ได้ใช้วิธีแพทย์ของจีนก็ได้ใช้วิธีของอปัจจุบันก็ได้ครับการรักษาที่มากมายแต่บางโรคอาจจะยังไม่สามารถพบการรักษาแต่ไม่ เ, มเชื่อมั่นว่าทุกโรคมียารักษา นอกจากโรคที่พรรู้ล็อกาหนดให้มันเป็นความตายสําหรับใครอันนั้นไม่มีทางรักษาคือถ้าพรรู้ล็อกกําหนดให้ใครตายเพราะโรคไหนเขาก็จะตายเพราะโรคนั้นต่อให้มันเป็นเพียงแค่ไข้วัดก็ทําให้คนตายได้นี่คือคําสอนของมุสลิมครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ไปเสดสัทธาแค่เขาไปเสด ต, ต่อล้อทุกอย่างจบแล้วความดีงามในชีวิตเขาเขาไปเสดความงดงามต่าง ๆ, ๆมากมายเขาไม่รู้จักพระเจ้าของเขา เขาไม่รู้จักถึงการทำให้พระเจ้ารับเขาไม่รู้ถึงเป้าหมายชีวิตของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาทาไมเขาไม่รู้เขามาจากไหนเขาไม่รู้เขาจะไปไหนต่อเพราะนั้นพลาดเลยผู้ที่ว่าไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงบางคนพยายามศึกษาพระเจ้าแต่ดันไปเข้าใจผิดบอกว่าฉันยอมรับไม่ได้ทำไมพระเจ้ามีกินมีดื่มทาไมพระเจ้ามีเพศทาไมพระเจ้ามีหลับนอนเขาไปเรียนรู้พระเจ้าแบบผิดผิดมา อย่างบางกลุ่มก็บอกในฉันรักมาร้ายมากกว่ารักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเน่ยอ่อนแอพระเจ้าช่วยใครไม่ได้มาร้ายมันยังมีพลังมากกว่าอันนั้นเป็นคําสอนที่ผิดเพี้ยนไปไกลแล้วเป็นคําสอนที่ผิดเพี้ยนไปไกลแล้วพระเจ้าที่แท้จริงพวงค์นั้นมีเพียงองค์เดียวพวงคือผู้สร้างพระองค์นั้นไม่ถูกสร้างพรองค์ไม่ได้พึ่งพระผู้ใดเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาพระองค์แล้วพรองค์นั้นไม่มีใครที่ว่าทําลายพระองค์ได้ แล้วพงษ์สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พงษ์ทรงประสงค์ด้วยความเมตตาด้วยความยิ้มามของพระองค์นี่คือพระเจ้าที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงเพราะนั้นผู้ใดก็ตามปฏิเสธพระเจ้าเงื่อนไขแค่ข้อนี้ข้ อ, ขอเดียวจบพระนรุสิมเคลียนะครับเวลาที่มีคนถามว่าคนนั้นเราเป็นคนดีคนนี้เราเป็นคนดีโลกหน้าอาลัลลอฮ์จะเมตตาเขาไหมคําตอบก็ชัดเจนเมื่อเขาปฏิเสธหลักที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์แล้ว เพรเขาบริสธหัวใจที่สําคัญที่สุดไปแล้วเพื่อในโลกนี้ได้เต็มที่อินชาอัลลอฮ์ด้วยความไม่ตาขอัลลอฮ์ได้เต็มที่อัลลอฮ์ให้กับผู้ที่ปรทรงประสบแต่โลกหน้าจะได้รับเฉพาะผู้ที่เลือกหนทางที่ยากลําบากเพื่อพุ่งอัลลอฮ์ซุบานาหูวะตาลาอย่างแท้จริงเท่านั้นครับผมเรามาถึงระยะสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับในระยะสุดท้ายพุงอัลลอฮ์สมาตาให้กว่าอไลฮิมแนรุมมุซาดา อละอิฮมสิ่งที่พวกเขาจะต้องเจอก็คืออาซาบุลมาชอมาคุมชนที่ว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งที่เลวร้วายนะครับสิ่งที่เขาจะได้พบเจอก็คือนารุมมุสดาคือไฟที่มุสดาไฟมุสดาครับบางท่านก็แปเป็นไฟที่โผยพุ่งบางท่านก็บอกเป็นไฟที่ว่าอัดแน่นไม่ว่าจะแปลยังไงก็ตามครับคำว่านารถ้าเกิดว่าถูกใช้ในอัลกุรอานเนี่ย นารุนเนี่ยมันคือไฟที่เกินจินตนาการที่พวกเราทุกคนจะเข้าใจเวลาชะควนาน้ที่หมายถึงไฟนรกมันเป็นความร้อนที่เกินจินตนาการพี่น้องพวกเราคุกคีกับความร้อนในโลกดุนยาระดับหนึ่งเราพอจะรู้ว่าถ้าเกิดตั้งการน้าไว้แล้วเอามือเปล่าไปจับโลหะหรือเอาอน้ำร้อนๆมาใส่ปากเนี่ยมันลวกมันร้อนมันเจ็บมันทรมาน เพียงแต่ว่าไฟทั้งหมดที่มีในโลกดุนยาเทียบไม่ได้เลยกับไฟที่โพล้อเตรียมไว้ลงโทษผู้ที่ปฏิเสธโปองคทั้งๆที่โป่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เขาเขาก็ยังปฏิเสธเขาก็ยังเนรทุนการลงโทษของพโพล้อนั้นเกินจินตนาการมันเกินจินตนาการแน่นอนรับไฟในรกมีหลายระดับขั้นขั้นที่ต่ำที่สุดอย่างที่พวกเรารู้กันก็คือขั้นที่โพล้อนั้นเตรียมไว้ให้กับ ผู้ที่กลับเกอะคนที่อ้างว่าเป็นมนาฟิกอคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมแต่กลับมีพฤติกรรมที่สวนทางกับการเป็นมุสลิมอันนี้เรียกว่ามนาฟิกพราะว่าข่าวนกครับีนันมนาฟิกี น, ก น, น, นฟิดดาร์กิลอะสฟน า, น า, นาริันนารคนที่เป็นผู้กลับเกอกเนี่ยจะได้อยู่ในไฟนระกชั้นที่ต่ําที่สุดดารกิลอสฟาร์ชั้นต่าสุดถ้าชั้นขึ้นมานะครับกลางมาก็เป็นที่ลงโทษสำหรับบรรดา มิชลสำหรับคนที่ตั้งภาคีต่อรัฐสำหรับผู้ที่ไปเสียสถาต่อรัฐไฟนอลกชั้นเบาที่สุดอย่างที่พวกเราทราบครับก็เป็นสารที่ใช้สําหรับลงโทษมุสลิมผู้สธาที่ว่าสอบตกไม่สามารถทำให้รัฐพอใจขอได้ก็ขอรัฐคุ้มครองเราให้รัดบนซึ่งไฟนรกชั้นที่เบาที่สุดเนี่ยก็มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งคนละอย่างที่พวกเราทราบกันใครครับคนที่ว่าเป็นกาเฟสแต่ก็ถูกลงโทษเบาที่สุด ปู่ของท่านนบีมัสลลัออิสลมลุงของท่านนบีมัสลลัออิลมอบุตาริถูกไหมครับผมอับดตาริฟเนี่ยลุงของท่านนบีนะครับท่านน่าจะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์ทัดจากท่านนบีหมอมุสลลัมของอิสลามท่านน่าจะได้เป็นน่าจะได้เป็น พราะอะไรครับพ่อลุงของท่านนบีเนี่ยให้ความช่วยเหลืออิสลามให้ความช่วยเหลือมุสลมิมให้ความช่มวยเหลือท่านนาบีอย่างมหาศาลให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่ท่านอุมัตช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่ท่านอุสมานให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือมากกว่าท่านอาลีให้ความช่วยเหลือให้ความช่มวยเหลือกับท่านานบีมูฮัมมัดสลอมมากกว่าที่ท่านอบูบัรให้ความช่วยเหลือแต่ท่านนบีมูฮัมมัดสลอมเพราะนั้นน่าจะพูดได้เลยว่าท่านอบูตอลิฟเนี่ย เกือบจะเป็นคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้แล้วถัดจากท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านเพียงแต่ว่าท่านถาขาดไปแค่ข้อเดียวถูกไหมครับที่เราพูดคุยกันขาดไปแค่ข้อเดียวคือท่านไม่ยอมกล่าวว่าละอิลาฮิอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรัสลัลไม่มีพระเจ้าเหนือจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์ทั้งๆที่ท่านก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า ทั้งทั้งที่ท่านก็เชื่อว่าหลานของท่านนั้นเป็นคนที่สัตย์ยิงทั้งทั้งที่ท่านก็ให้ความป้องกันแต่เพราะการที่ท่านกลัวไม่อยากละทิ้งจุดยืนของบัมพบุรุษที่ทำมากลัวคนมาค่อนแคะกลัวคนมาว่าท่านแคร์คนอื่นมากเกินไปทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนที่ดีมากและนั่นแหละทำให้ท่านพลาดโอกาสที่จะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในอุมมานี้ไป ถ้าจกเร่บดมสุสลลลอห์องอะเฮ์วะซัลลัมพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับขอบคุณพ่อรอสุบฮานุอัลตาลาให้มากครับสารเสินอัลลอห์ให้มากละหมาดด้วยการรู้คุณละหมาดด้วยการขอบคุณที่พ่อรอสุบฮานุอัลตารานั้นให้เราได้เป็นมุสลิมให้พวกเราหลายๆคนได้เป็นมุสลิมโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลย ให้พวกเราหลายๆคนเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดให้เรารู้จักอิสลามตั้งแต่เด็กนี่คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณพวกลอสซูบฮานุวาตาลาให้มากเพราะนี่คือเงื่อนไขข้อแรกเลยที่จะทําให้พวกลอสมาตารารักเราถ้าขาดเงื่อนไขข้อนี้จะดีแค่ไหนก็ตามจะดีถึงขั้นอบูตาลิฟก็ตามมันก็ยังประโยชน์ได้เพียงโลกดุนยาเท่านั้นครับ และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งในเหตุผลที่ท่านอับดุลลาห์สั่งขอบคุณอัลลอฮ์มากนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เวลาพูดสัตยาเราจะขอบคุณผู้อัลลอฮ์มากต่อให้เราจะพลาดอะไรในดุนยาแต่เราขอบคุณผู้อัลลอฮ์อย่างจริงจังอย่างจริงใจที่พวกนั้นให้เรารู้จักอิสลามแล้วให้เรานั้นได้เป็นมุสลิมขอขอบคุณต่อพว้อัลอสุมาในความดีงามต่างๆที่พวกนั้นมอบให้กับเราทั้งที่เรารู้ทั้งที่เราไม่รู้แล้วก็ขอขอบคุณต่อผู้อลลอฮมากที่สุด ที่พวกนั้นให้เราได้มีทางนําให้เรานั้นได้รับทางนําได้รับทางนําแล้วก็ให้เรานั้นได้ทําการละหมาดได้ทําสิ่งที่ดีเพื่อพวงหลอสุภานาหาวูวตาละ่ะพี่น้องที่รักยิ่งครับในสุรตุลบาลัดเนี่ยจะมีประเด็นที่เราได้รับสาระค่อนข้างจะมากซึ่งส่วนนี้เราพูดคุยกันนานนิดนึงนะครับพี่น้องครับก็ม า, าถึงตอนนี้ก็คิดว่าหวังว่า จะเป็นสาระเป็นประโยชน์แล้วก็มันจะอยู่ในตาช่างที่ดีงามของพวกเราทุกคนขอเลาะให้ภัยแล้วก็ไม่แตะพวกเราแต่นี่อยากมาชวนสรุปแบบคร่าวๆนะครับในสุรตุลบาลัดนะครับผมในสุรทูลบาลัดเนี่ยพวกเราเริ่มด้วยกับการสาบานด้วยกับเมืองเมืองนี้นั่นหมายถึงเมืองมากาทิธาณบีมสอสโรว์อิสลามนั้นท่านเกิดละอุคสมุบิฮัลบาลัดวันตะฮิลลุมบิฮัสลบาลัดซึ่งพวกเราก็ได้บอกว่าพวกเราได้ให้คนที่อยู่ในแผ่นดินที่แรงแขนแผ่นดิน ที่แห้งแลง้งแผ่นดินที่ว่าไม่น่าจะมีอาหารการกินเนี่ยพระรัศมีบอกว่าจะเราได้ให้เจ้านั้นอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างปลอดภัยอย่างสามารถทําอะไรก็ทําได้พี่น้องที่รักครับจากอายะเนี่ยถ้าเรามาจับคู่ดูเราก็จะพบว่าทั้งโลกเหมือนกันจะเป็นความเป็นอยู่แบบไหนก็ตามมนุษย์สามารถอยู่ได้ภายใต้ความเมตตาของ Allah ซึ่งมนุษย์ก็จะแบ่งไปสังกุม อาซาบุลไมมนะกับอาซาบุลมัชอะมะกลุ่มชนที่ว่าเลือกทําตัวให้อัลลอฮ์รับรักเลือกทาตัวให้อัลลอฮ์รับแล้วพวกอัลลอฮ์ก็รักเขาแล้วพวกอัลลอฮ์ก็รับเขานั่นคืออาซาบุลไมมนะตัวเขาได้รับสิ่งที่ดีงามจากอัลลอฮ์ใครก็ตามอยู่กับเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามจากอัลลอฮ์ในขณะที่กลุ่มชนที่ว่าอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เขาแล้วเขายังเลือกเป็นผู้ไปเซสะแทบอาซาบุลไมมัชอะมะเป็นกลุ่มชนที่ว่าเลวร้ายที่ มีแต่สิ่งที่ไม่ดีงามมาจากเขาในยักที่สามพวกล่าวว่าว า, ว า, ว า, ว า, วาลิดอยู่ ว, ว่ามาวลัดพวรลาซาบานต่อทุกบีดาแล้วก็ทุกบุตรเช่นเดียวกันพี่น้องมนุษย์ทุกคนเรามีพ่อเรามีแม่แล้วก็หลายๆท่านเราก็มีลูกหลานสรรืบทอดไปเพราะนั้นทางเลือกของชีวิตเราครับถ้าเรายอมรับที่จะเลือกชีวิต ที่ยากลำบากซึ่งต่อให้เราไม่ยอมรับเราก็จาเป็นต้องยอมรับแต่ชีวิตมันเป็นทางเดิมที่ยากลำบากถ้าเราเลือกปุ๊พ่อรับบอกว่าไงครับให้เราเป็นผู้ศรัทธานะให้เรามีความอดทนนะให้เรามีการตักเตือนกันให้อดทนตักเตือนกันให้เมตตานั่นแหละจะเป็นการช่วยเรากับช่วยคนที่เรารัก อย่าลืมคำมนุษย์เกิดมาเพื่อพบกับความยากลำบากเราจะเต็มใจหรือเราไม่เต็มใจชีวิตมันต้องลำบากเราจะศรัทธาเราจะไม่ศรัทธาชีวิตเราก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากเมื่อเราถูกสร้างมาให้พบเจอกับความยากลำบากก็ขอให้เรานน้นเผชิญหน้ากับความยากลาบากในสภาพของผู้ที่ศรัทธาในสภาพของผู้ที่มั่นใจว่าเราจะใช้ความช่วยเหลือแล้วก็ในสภาพของผู้ที่มั่นใจว่าพเราจะ ตอบแทนในทุกความเหนื่อยยากของเขาครับอย่าลืมครับพี่น้องอล้อเป็นผู้สร้างปากมาเป็นผู้สร้างตามาให้กับพวกเราใช้มันให้ดีบอกในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่งามทําในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นเมื่อเราอยู่ดุนยาในสภาพเปล่าของพวกล้อก็ขอล้อให้พวกเรานั้นมีสภาพอยู่ในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพวกในสภาพของผู้ที่รู้ จากพระองค์ในสภาพของผู้ที่ละหมาดต่อพระองค์ในสภาพของผู้ที่ยอมจำนวนต่อพระองค์อย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้เราจากโลกุญญานี้ไปในสภาพของบ่าวที่พระองค์รักเขาอย่ารับปวดจะได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่มันหนักเกินความสามารถของเราอย่ารอหาพกพระองค์ทดสอบพวกเราด้วยกับบททดสอบบททดสอบที่มันยาก ขอพวกล้อให้ความช่วยเหลือเราให้มันง่ายดายสำหรับพวกเราอย่าล้อผู้ใดก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขาป่วยไข้ขอพวกรักษาเขาผู้ใดก็ตามในหมู่ของพวกเราที่ว่าเขามีนิสินยาวล้อปวดปวดเพื่อนิสินของเขาผู้ใดก็ตามในหมู่ของพวกเราที่ว่าเขากำลังมีความเศร้าโศกเสียใจยาวล้อปวดปลอบใจเขาโปวดให้กําลังใจแก่เขายาวล้อผู้ใดก็ตามในหมู่ของพวกเราที่มีบาป โปรดอภัยโทษให้กับพวกเราผู้เด็ ก, ก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขาจะทาสิ่งที่ผิดอยู่อย่าล้อขอให้เขาละทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้อย่าล้อผู้เด็ ก, ก็ตามที่ยังเป็นคนบาปอยู่ขอพระเมตตาพวกเราขอพวกเราล้อานาทางพวกเราขอพวกเรา ให้พวกเรานั้นได้กับเนื้อกับตัวสู่พงขอพงนั้นให้พวกเรานั้นรู้จักพงให้มากขึ้นขอพงนั้นให้เรานั้นรักพงมากขึ้นขอพงนั้นให้เรารักที่จะทำการงานที่จะทำให้พงนั้นรักเรามากขึ้นขอพกลอสุบาโนหัวตารานั้นให้พวกเรารัก ใครก็ตามที่พ่องรักเขาแล้วก็ที่เขานั้นรักพระองค์เยาวร์ขอให้หัวใจของเรานั้นมุ่งมั่นในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ขออย่าให้ดุญญานั้นมันมาเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของเราขอให้หัวใจของเรานั้นมีความสงบในการล้ำลึกของพระองค์ขอให้หัวใจของเรานั้นมีความชุ่มฉ่ำด้วยการอ่านคมภีของพระองค์ขอให้หัวใจของเราขอให้ลิ้นของเรานั้นชุ่มฉ่ำอยู่กับการลำลึกถึงพระลอสสุภานุวาตลา อยู่เป็นประจำขอให้บุคคลที่เรารักขอให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ในทางนําของพระองค์ขอให้ลูกหลานขอให้บุคคลที่พวกเรารักนั้นเขาอยู่ในทางนําของพระองค์เขาได้ละหมาดเพื่อพระองค์เขาได้เป็นบาตที่ดีของพระองค์แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้อยู่กับบุคคลที่เรารักก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานอัลกุสซัลลัมอย่ารับโทษให้พรแก่ท่านนบีโปรดให้ความสติแก่ท่านนบีโปรดให้ความดีงามทั้งหลายแก่ท่านนบีแก่บรรดาวงวานของท่านนบีแก่บรรดา กลุ่มชนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานของอาเลวิสสลัมแล้วก็ขอให้เรานั้นได้รับสิทธิ์ในการที่จะได้รับชฝาะจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานของอาเลวิสสลัมในวันที่ไม่มีชาฟาใดนอกจากเป็นชฝ า, าที่มาจากพระ อ, องค์อย่าล้อขอให้เรานั้นจากดุนยาเป็นในสภาพผู้ที่ศรัทธาจากไปโดยที่ได้รับคําที่งดงามที่ว่าชีวิตที่สงบเอ่ยจงกลับแหย่บิวังของเจ้าเถิดอย่าล้อปวดเรื่องล้อรอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพขอให้เรา ได้รับการสอบสวนอย่างง่ายดายขอให้เราฝืนคืนชีพมาในวันเกียรมะแล้วเรานั้นรอดพ้นไม่ถูกโทษในไฟนรดกด้วยความเมตตาของพงษ์ด้วยเถิดพวกนั้นคือนายของเราพวกนั้นคือผู้ช่วยเหลือเราพวกนั้นเป็นที่พื่งหนึ่งเดียวของเราฉะนั้นพวกนั้นเป็นผู้ที่สร้างเรามาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสมอเหมือนพวกและพวกนั้นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผม أ هذا و الله و ه ه ق و ل ่าวคุณให้ได ا ل ละ ل าบา و พระอง ل ์ ل ห้กับพวกท่านและชาวม س สลิมทั้งหล ل ยจากทุกคนที่จ ل ไม ل สาบานว่ م อินทรีย์ ل ละผู้ที่ไม่เชื่อในพระนามของพระเจ้าอัลลอฮฺข้ ه พเจ้าอั